การปฏิบัติเป็นการพิสูจ น, น์ความจริงการเรียนก็เหมือนกับเราเรียนแผนที่แต่เรายไม่ทำตามแผนที่ทีนี้แผนที่ภายนอกกับแผนที่ภายในนี่ผิดกันคนละโลกแผนที่ภายนอกนั้นเช่นอย่างแปนบ้านแปนเมือนอะไรเป็นต้นทำตาม น, นั่น ดูตามนั้นเลื่อยไปแต่แปลนภายในมินแผนที่ภายในจิตนี้เป็นอย่างนั้นไม่ได้ขนาดที่จะปฏิบัติทำเราเรียนมามากน้อยเราจะเอามาไขาควน เ, เอามาพิจารณายุ่งกันหมดเพราะยังไม่ใช่ฐานะนของจิตที่จะเอามาพิพจิตริจารณาหรือไขควนเอามาเทียบมาเทียงกันจิตท่านที่จะรวมตัวให้มีกาลัง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 ร่มเย็นมีความผาสุกภายในตนเพราะความสงบซึ่งเป็นการรวมกําลังนั้นนี่เรียกว่าไม่เข้าในแปนเลยถ้าจะเข้าก็เข้าในแปลนที่ว่าให้พยายามทำจิตให้สงบด้วยอารมณ์แห่งธรรมแต่เราไม่ยอมที่จะปฏิบัติเพียงแค่นี้เรายังมีความลุก ตีบย่อยเลิ้งมากจนวุ่นไปหมดนั่นเข้ามากวนใจจึงหาความสงบไม่ได้เนี่ยมีเชือกมันขัดกันกับแปลนเราได้แปลนอะไรมากกี่แปนท่านกลา่าวทำมาไว้มากมาอย่างไรก็ออกกว้านเข้ามายุ่งเราหมดเห ม, มือนอย่างว่าเราจะปูกกระต๊อบสักหลังหนึ่งเราก็จะเอาแปลนตึกรามบ้านช่องทั้งร้อยร้อยชั้นมากลางดู งั้นมันก็เข้ากันไม่ได้แปลนตึกกับแปลนกระตับมันผิกกัน๋ต่นี่เราจะรวมจิตั้งเราให้เข้าจุดเดียวเหมือนรถกระตับน่ะพอมีกําลังแล้วขายายตัวไปก็เป็นตึกรามบ้านท่องได้จรเมื่อถึงขั้นที่จะพิจารณาแล้วกว้างแคบไม่มีกาหนดกฎเกณฑ์มันไปได้หมดทั่วแดนโลกธานุนี่ถึงขั้นจิจะพิจารณานั่นแหละขั้นนั้นแหละ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 กลาวเพียงเท่านี้มันครอบหมดแล้วเรื่องสติปัฏฐานสี่ <S <S เราจะไปแยกแยะไปทําทีละบทละบาททำทีลอเรื่อง ล, ละลาแล้วค่อยเดินเหมือนกับเราก้าวขาวไป <S <S ไม่ได้ไม่ถูกนี่คือภาพปฏิบัติเป็นอย่างนี้งท่านลพิจารณากายกายกิจานุสิติวิหะติอย่างนี้เป็นต้นพินนากายในกายกายในกายก็หมายถึงอาการหนึ่งของกายทั้งหลายที่มีอยู่หลายชิ้นหลายอัน เป็นต้นเหตุก่อนพอพิจารณากายส่วนนี้พอเข้าใจแล้วมันก็มีความสูญทราบันไปเองเป็นเหตุให้สนใจที่จะทราบส่วนนั้นส่วนนี้แล้วก็่กระจาย ก, กระจาย ก, กันไปก็หมดภายในร่างกายรอบไปหมดเข้าใจไปหมดกายในกายเช่นถนัดเจสาเจส า, าอย่างนี้คนระโลมาจะพิจารณาผมเส้นหนึ่งก็ตามแต่จะเกี่ยวไปกี่เส้นของผมแล้วเกี่ยวไปว่ากี่ส่วนกี่อันมัน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 เกี่ยวข้องกับจิตดวงเดียวพอพิจารณาเวทนากับจิตมันก็วิ่งเข้าหากันเอกแยกกันกายญาติเวทนาจิตานุธรรมานุ ป, ปัฏนานะอะไรเกี่ยวข้องกันอย่างนี้เวทนานอภหมายถึงกาย เ, เวทนาคือเกิดความสุขความทุกข์เฉยๆอยู่ภายในตัวเองเวทนานในหมายถึงทุกเวทนาภายในใจสุขเวทนาภายในใจ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 มันอยาเป็นภารจิตเองอันนี้ก็เป็นอาตุกรรมสุขภาเวทนาอีกเหมือนกันตอนนี้เรายังไม่ทราบตอนที่มันเป็นอยู่เด่นๆนี่ก็ยังไม่ทราบเพราะยังไม่มีปัญญาต่อเมื่อจิตมีความเสียเข้าไปอะไรอาการใดปรากฏขึ้นมามันก็สรา้างพอทราบเป็นลําดับๆตามกําลังของปัญญาของสติทองตอนเองสิ่งเหล่านี่แหละเป็นเจ้านายเนื้อหัวของจิจ เอาพูดมันเต็ม est, เม็ดเต็มหน่วงเสียจีต<ม>นี้เป็นภาชนะสําหรับรับรองหรือเป็นม้านั่ ง, งเขานั่นเองเพราะมานั่งตรงนั้นละ่ะหรือเป็นซ่วมก็ได้นอถ่ายรถลงนั้นมวลแหละมีอะไรก็ดีเดี๋ยวทุกโดดขึ้นมาถ่ายเดี๋ยวสุขโดดขึ้นมาถ่ายเดี๋ยวอะตุกะมาสุขเวทนาโดดขึ้นมาถ่ายถ่ายอย่างนั้นอันนี้ก็ยอมนะเขาถ่ายอยู่นั่นแหละเพราะมีสติปัญญาที่จะ สลัดปัดทิ้งในสิ่งนั้นไม่มาม า, มาถาักเพรา ะ, ะนั้นจึงต้องอบรมสติปัญญาขึ้นให้มากสติเป็นสิ่งสําคัญตามติดไม่ว่าปัญญาจะสอดแทรกประสไหนที่นายสติตามแนบไปเลยปัญญาก็ไกรกรองไปสติตามไปมันก็ไม่เป็นสัญญาถ้าสติญญมีอยู่ไม่เป็นสัญญาพเพราะเพลสติญญเป็นสัญญาไปตามกําลังของหยิบที่พึ่งพึ่งหัด คน้นความใหม่ๆแต่เมื่อมีความเฉลีญญ่ทชำนานทั้งด้านสติทั้งด้านปัญญาและไปด้วยกันเลยจึงพูดได้ว่าเวลาไหนนะ่นเวลาที่จิตเถลอนั่นะคือมันไม่มีเวลาเถลอท่านจึงเรียกมหาสติมหาปัญญาเผลอที่ตรงไหนท่านอยู่ที่นี่นะ่ะคือความรู้ได้จากสติกับปัญญามันมีอยู่ด้วยกันภายในจิตดวเดียวนี้แล้วเป็นอันเดียวกันแล้วนะถ้าจะเผลอไปที่ไหนนานเมื่อมันต่อเนื่องกันแล้วพูดได้อย่างนั้น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 ถูกหรือผิดขอให้เป็นผลเป็นประโยชน์แก่ตัวเองให้ทราบภายในตัวเองนั้นจึงว่าเป็นที่แน่ใจเมื่อเราได้ปฏิบตัติเมื่อเราได้รู้แล้วอาถานที่จะพูดออกมาอาถานอยู่ภายในยจิตไม่จะโต้ค้านว่าจะพูดผิดหรืออะไรไปก็ตามไม่จะโต้ค้านเพราะเป็นความแน่แน่ภา ย, นายจในจิตใจการที่จะเบิกสิ่งที่ปกคุ ม, มหอจิตนี่ยิงต้องยาก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 แล้วก็มากลุ้มกุมพาณจิตใจนี้อีกจิตก็จะต้องมาค้นคว้า ม, มาพิจพิจารณาแก้ไขกันอยู่ภายในในี้แล้วสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ห่มห่อจิตใจใจเองเป็นผู้ขนองระเทีบกว้านเอามามาก็มาเผาตัวเองเพราะไม่มีปัญญาสามารถที่จะแก้ไขจึงต้องได้สั่งสมสติสังสมปัญญาขึ้นให้มาอันถึงสอนเสมอเรื่องสติเรื่องปัญญา นิสมากันนังเยโยนี่ก็คือปัญญาค่ายควรแจะก่อนจะทําอะไรไปดี้ส่วนที่จิตทั้งเราจะคิดเรื่องอะไรมันไม่ได้ค่ควรแม้จะไม่ได้ค่ายควรในขณะที่มันคิดขึ้นมาก็ตามใคร่ายควรในขณะที่มันไปสัมผัสกับเรื่องอะไรเกิดเป็นผลขึ้นมาให้เกิดความเดร้อนแล้วนั้นก็นยังดีใค่ายควรให้ดีพิจารณาให้ชัดจนกระทั่งถึงหายสงสัยกับสิ่ง น, นั้นนั้นได้นี่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 ความทุกข์ที่เกิดมัน ก, อก่อปวยขึ้นมาขึ้นมาให้เป็นผลเป็นทุกข์โดยลําดับลําดับอยู่ที่ไหนถ้ามาอยู่ที่กายกับใจนี้อยู่ที่ไหนเราปล่อยให้นรกภไฟนรกเผาทุ่ทั้งวันนักเกินยังไม่ทราบมาโลกแล้วจะตหานรกสิไหนอีกนี่ให้เราย่นเข้ามานี้เพื่อรู้ความจริงคืคอสัจธรรมซึ่งมัอยู่ภายในนี้เมื่อรู้สัจธรรมแล้วนรกไหนก็มันจะเข้าใจของมันเองแหละไม่ต้องมีใครมาบอก ในสวรรนั้นก็คือความรื่นเริงบันเทิงในอาดในธรรมที่มีอยู่ภายในจิตใจควสงบร่มเย็นนี้พรหมโลกก็เป็นอยู่ไปตามขั้นของจิตนี่จะไปพรหมโลกขั้นไหนชั้นใดก็ตามคือขั้นของจิตนี่บอกอยู่ภายในตัวเสร็จแล้วภูม้สมเหมาะสมกับภูมินั้นภูมินั้นภูมินั้นและก็เป็นไปตามนั้นเลยพราหมณนจริงต้องปรับปรุงทุนนี้ให้ดีให้ถูกต้อง หมายคิดนอกเมื่อไปจังวันหนึ่งคืนหนึ่งให้ค้นคว้าภายในจิตใจของตนเองกับสิ่งที่มาเกี่ยวข้องหลักสั้งพันก็มีกายนี้แหละสําคัญมากขันห้านี่มันสัมผัสปันตลอดเวลาเพราะอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่วันไหนถึงภานอกก็ยังพอทำเนาเป็นรูปเสีย ง, งเป็นงลดเิร่อสัมผัสต่างๆมันอยู่ภายนอกไอ่วนเลสกัรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้อยู่กับตัวเอง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 พิจารณาให้ถึงฐานในความตายมันก็กลัวอยู่วัน น, นั่งค่าถ้าพิจารณาให้ถึงฐานของความตายแล้วมันจะกลัวอะไรมีอะไรตายในโลกนี้เนะี่ยความแปลก็ทราบอยู่แล้วถ้าทำท่านก็อสอนไว้แล้วอ่ะอันนี้จังมันแปลสภาพตลอดเวลาทุกครั้งมันทุกที่ไหนทำไมทุกอยู่ที่นี่เนะี่ยหน้าตาก็ประกาศอยู่แล้วเป็นสาระแก่งฐานที่ไหนก็บอกหยุดทุกบททุกบาทของธรรมแต่เรามันปีนเกลียวของธรรมอยากนั้นเป็นตนอยากอันนี้เป็นตน ความที่อยากนี่มันก็เป็นเรื่องของกิเลสอันนั้นไม่เป็นตนก็เป็นกิเลสแต่ว่าไงถ้ายิ่งมันเป็นตนขึ้นมาอย่างที่ว่ามันจะยิ่งจะไม่กองเท่าภูเขาเลยก็เกิดแต่และอย่างละอย่างรวมมันเข้าแลกกี่ภูเขาก็ไม่รู้ถึงต้องพิจารณาให้ชัดเวทนาเนี่ยกับพวกนี่ยพวกจิตเป็นข้าศึกตอนเราก็มีอะไรก็มีทุกเวทนาเป็นขึ้นภายในจิตบ้างโดยลําพัง มันต้องกายปกติอยู่ก็ตามนัม่นก็เป็นขึ้นมาขึ้นได้เพราะอารมณ์พาให้เป็นคิดไปทางที่จะเสียดแทงจิตใจก็เป็นทุกขเวทนาขึ้นมาคิดไปทางถอดทางถอนก็เป็นจุกขขเวทนาขึ้นมาอืเวลามันจะพักมันก็วางเฉยตัวมันเองเป็นอุปเปกขาเวทนานั่อันเห็นทัชชนอย่างนี้การพิจารณาเราจะคาดหมายมดูอยู่ภายในตัวของเรานี้ สัญญาเนี่ยสาคัญอยู่มากมโดยปกติสัญญาเป็นผู้สําคัญมากถ้าทุกเกิดขึ้นทุกก็สําคัญแต่ทุกไม่เกิด อ, อยู่ทุกเวลาสัจจะสัญญาเนี่ยมันหมายอยู่เรื่อยๆ อ, อันนี้ผู้สําคัญมากละเอียดมากการนี้มันจงด้วยมันน่าหลงต้องได้หลงสั้งขายมันพูกยื่นให้สัญญาก็เอาไปคลี่ขายไปไปใหญ่และประการที่สองกับวิญญาณเป็นผู้รับทราบเข้าขขมา พระนี้ก็มาคลี้คายเจ้าสัญญาและทำงานใหญ่โตเที่ยววุ่นไปหมดภายในร่างกายหลังนี้แหละเป็นเครื่องปิดใจใจเมื่อมีสิ่งทับถมมีสิ่งปิดบงังมีสิ่งบังคับอยู่จะออกเป็นความรู้ความเห็นอุบายแยบคายนันก็ออกไม่ได้เพราะถูกสิ่งอันนี้บีบบังคับ จึงต้องได้บางคัดกิจทีหนึ่งให้พิจารณาถอนตัวออกมาพิจารณาแล้วความสําคัญบรรหมายต่างๆ่างนี้ก็จะค่อยติดเบิกหรือถอนลงไปถอนออกไปโดยลําดับสติปัญญาแค่ในมีทางคิดถึงขั้นสติปัญญาจะทนไม่ได้ถึงขั้นสติปัญญาจะออกพิ่นี้พิจารณาแล้วปิดไม่อยู่มันจะค้นคว้าไปหมดทุกแง่ทุกมุมเข้าใจไปเรื่อยเรืยเรยเรืยมีความเพลิดเพลินต่อกัน คนการคิดมีความเพลอดเพลินต่อผลที่ปรากฏขึ้นมาเพราะการค้นโดยปัญญานี้เป็นการตัดกิเลสโดยตรงสมาธิเป็นสื่งที่ว่ารวบรวมกิเลสเข้ามาสู่จุดเดียวพอจะแก้ไขง่ายๆหรือว่าตัดทำลายได้ง่ายพูดง่ายๆนี่เป็นพลังของปัญญาเมื่อจิตมีความอิ่มตัวในคันสมาธิแล้วจิตก็พอใจที่จะทํางานในแง่ต่างๆเมื่อทํางานแล้วผลของงานก็ปรากฏขึ้นมากิเลสขาดเป็นมากเป็นตอนก็เกิดความเพลอดเพลินในผลของงาน้องตน พิจารณาเรื่อยๆไปเอาคงนี้จะไปที่อื่นสัจธรรมอยู่ที่ตรงนี้ค้นลงไปทําไมจะไม่รู้พระพุทธเจ้าท่านรู้ที่ไหนท่า น, น, นรู้ในศัจธรรมทั้งสีน่นี้ท่านรู้ในสติปัฏฐานสี่ซึ่งมีอยู่ในกายใจของเราทุกคนพระพุทธเจ้าก็มีเช่นเดียวกับเราท่านรู้ที่ตรงนี้ท่านสอนอที่ตรงนี้จะให้พิจารณาให้ชากลงไปการกําหนดพิจารณาที่ว่าเวทนามันเกิดขึ้นมา ในจิตส่วนในกายได้พูดมากแล้วทุกเวทนาที่เกิดขึ้นภายในจิตเช่นเป็นความไม่สบายภายในจิตก็ให้กําหนดดูทุกขเวทนานั้นเอาทุกเวทนานั้นเป็นเป้าหมายแห่งการชีร้นาและแห่งการตรจ้องมีสติอยู่กับทุกเวทนาอนั้นเราจะสร้างความปรารถนาอยากให้หายผมไม่รูทุกเวทนาเกิดขึ้นภายในใจแต่เราต้องพีจะเราต้องทราบว่า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 เป็นจิตที่แน่นอนมันคงยิ่งกวเวทนานี้ทําไม่จะพิจารณาเวทนานี้ไม่ได้เวทนานี้มันเกิดขึ้นชั่วระยะมันดับไปตามการตามเวลาของมันในเมื่อหมดปัจจัยเครื่องสนับสนุนมันแต่จิตทั้งเหล่านี้เป็นธรรมชาติที่รู้ ท, ทั้งทั้งจิตทุกเวทนาเกิดขึ้นมันก็รู้เกิดมากเกิดน้อยมันก็รู้ทําไมจะพิจารณาเวทนานี้ไม่ได้จะทนกับเวทนานี้ไม่ได้ต้องทนได้เพราะจิตที่เป็นนักสู้นักคนอยู่แล้วนักเอานี้เข้ามา เอาทุกจะปรากฏแผลกิตจมากน้อยให้กําหนดตัอยู่ที่จุดนั้นไม่ต้องตั้งความปรารถนาให้มันหายแต่ให้ทราบความจริงของเวทนาที่มันปรากฏขึ้นมาและเปลี่ยนสภาพไปให้รู้ตรงนี้เอาเมื่อทุกเวทนาสลายตัวลงไปจากกิจเพราะการจดจ้องการพิจารณาของเรานี้แล้วอะไรเวทนาอะจะเกิด ข, ขึ้นมาแทนที่ก็ให้รู้อีกนะให้รู้เป็นชั้นๆ น, นี่จึงควรนักพิจารณาเราจะไปถืออเวทนา จะเป็นสุขก็ตามทุกข์ก็ตามเฉ่ยเฉยก็ตามให้ทราบว่าเป็นเวทนาด้วยกันเป็นสภาพหนึ่งต่างหากจากจิตจึงเป็นของที่เปลี่ยนแปลงไปได้อันนั้นเข้ามาแทนที่อันนี้สลายตัวไปอันนั้นเข้ามาแทนเป็นอยู่อย่างนี้ตามธรรมชาตของของเวทนาเพราะมันมีเชื่อไปจากจิตมันจึงแสดงเวทนาทั้งสามนี้ขึ้นมาหน้าถ้าว่าจิตหมดเชื่อโดยประการทั้งปวงแล้วเวทนาใดใ ด, ดก็ตามจะไม่ปรากฏขึ้นมาได้เลยนอกจากปรมาสุขขังเท่านั้นซึ่งเป็นธรรมาชาติที่อยู่กับ มีอยู่กับใจที่บริสุทธิ์มันนั้นอันนั้นไม่ใช่เวทนวาสำหรับนิพพานังปรมังสุขขังนั่นไม่ใช่ทุกเวทนาจึงไม่มีการดับมีการการกหนดนเวทนาให้กำหนดอย่างนี้เอาเวทนานั้นแหละเป็นสนามรกกําหน ด, ดดูอ้าวดูในวาระนี้ยังไม่หายดูอีกดูจนกระทั่งมันทราบความจริงจะหาหรือไม่หายไม่สาคัญ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 การพิจารณาทุกเวทนาจนหนับไปแล้วเป็นความถูขึ้นมามีเป็นคนอันหนึ่งที่สืบเนื่องมาจากการพิจารณาทุกเวทนานั้นก็ทูส่วนที่เราจะกําจัดทุกเวทนาหรือไม่กำจัดนั้นอันนี้เท่าที่พิจารณามาก็ไม่เห็นได้คกำจัดมเมื่อถึงสําคัญที่ทุกขเวทนาเนี่ยสำคัญมากภายในจิตมันเกิดจากเชื้อก เ, เกลเล่เมื่อแก้เชื้อนี้แล้วไปเบาบางไปโดนดับดับทุกขเวทนาก็ ละเอียดลงไปละเอียดลงไปเรื่องทุกขเวทนาเขค่อยดับไปดับไปดับไปเมื่อเชื้อมันหมดสุขเวทนาแบบนี้ก็หมดนี่มันหมดไปเองมันอยู่กับเชืออ้อ น, นั้นต่างหากนี่เพราะฉะนั้นจึงว่าสุขเวทนาอันสุขเวทนาที่เกิดขึ้นภายในจจากการปฏิบัติหรือการจากฐานของจิจจากความสงบของกิจจากความบาแสงของจิตนี้ มันเป็นทำหรือวิหารธรรมคือทำเป็นเครื่องอยู่เครื่องอาศัยพ้องใจในเวลาเดินทางหรือเป็นผลเกิดขึ้นมาจากการพิจารณทุกเวทนานั้นก็ได้เราจะพิจารณาสุขตรงนี้หรือไม่พิจารณาก็ไม่ค่อยสําคัญเท่าไหรย่ยิ่งกว่าการพิจารณทุกเวทนากับสาเหตุที่มันเกิดทุกเวทนานั้นอันนั้นเป็นสิ่งสําคัญมากนังที่ในสัจธรรมพระพุทธเจ้าท่ททานก็ว่าทุกข์ให้กําหนดรู้ไหนแกสุขทำไมไม่กําหนดรู้ไห่ ต้นเหตุของสุขคืออะไรท่านก็นไม่ว่าเพราะอันนี้มันเกิดขึ้นจากอันนั้นถลายตัวงไปสุขมันก็มาแทนมาแทนมาแทนที่พอเชื่อของทุกเราที่เป็นส่วนจิเลตนะมันดับไปสุขอันนี้มันก็ดับไปด้วยกันแต่สุข อ, อันหนึ่งที่เป็นธรรมชาติของกิตมันก็เกิดขึ้นมาแทนที่ง่านะเป็นอย่างนั้นเวลาจะให้สงบให้สงบอิต เราจะไปเสียดายกับการทํางานที่เราเคยพิจารณามาต้องมีการพักการผ่อนจิตใจไม่พักไม่ได้ถึงถึงเวลาพักต้องพักจะได้การได้งานเพียงลายจากการปฏิบัติการ ก, การพิจ า, ารณาก็ตามมันก็มีอ่อนเคลียได้เหมือนกันการทํางานคือความคิดความปรุงทางด้านปัญญาด้านไหนก็ตามแา่ก็เป็นงานของจิตทั้งนั้นเมื่อคิดเมื่อปรุงเมื่อพิจารณาไปนานๆมันก็ทําให้อ่อนเคลียได้เราต้องพัก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 พอสงบมีกําลังแล้วถอนออกมาจากความสงบนั้นแล้วอ้าควค้นลงไปไม่ต้องเป็นห่วงกับเรื่องความสงบมีห น, น้าที่อะไรพิจารณาไปโดยลําดับจนเข้าใจโดยลํำดับลาดับลําดับนี่ที่ว่าเป็นการดำเนินที่ถูกต้องเหมาะสมสม่ำเสมอเป็นทางเดินอย่างนี้มีเคยได้เป็นมาแล้วเวลาติดก็ติดจนพอติดกับความสงบสะดวกสบายเวลาเพลินในการพิจารณากับเพลินจนลืมเมื้อลื น, น, น, นตัวไม่พักผ่อนอนติด บ้างเลยมันไม่ถูกทั้งสองนั่นแหละคือไม่ถูกความพอดีคือความพอดีต้อ ง, ถ, ง, องถึงเวลาพัต้องพักถึงเวลาพิจารณาต้องพิจารณาไม่ห่วงอะไรทั้งนั้นตั้งหน้าทาหน้าที่ตามงานนั้นๆโดยลำดับบนั้นอันนี้เหมาะสมงานใดในโลกนี้ไม่ได้มีใหญ่โตยิ่งกว่างงานถอดถอนกิเลส หรืองานถอดถอนตนออกจากวัตฏะคือความมุนเวียนให้เกิดให้ตายกี่พบกี่ชาตินับไม่ได้เลยคิดแล้วน่าสลดสังเวชในความมุนเวืนอนเกิดตายซึ่งแแบตั้งแต่กองทัพไปทั้งนั้นไม่ว่าพบใดชาติใดก็ตามเป็นแต่เพียงว่ามีมากมีน้อยต่างกาันเรื่องของทุกต้องมีด้วยกันพราะมีที่เรดซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดทุกทําไมจะไม่ทุกศาสตร์โลกต้องมีภพุทธเจ้าจึงต้องสอนให้ฉลาดให้หมดจะไม่ต้องมีอะไรเข้ามาแทรกมาแฝงเลย ให้มีแต่เนื้อรุ่นล้วนยังให้มีกล้างยังให้มีกระดูกมันเป็นภัยต่ทอทาต่อขันประเภทใดก็ให้สำรอกเปล่าให้หมดไม่มีเหมือนเลยถึงเรียกว่าเป็นงานใหญ่โตมากทุ่มกําลังลงสุ่ฝีมือความสัมมามอบชีวิตทิวาลงไปพวกนี้ในบางกาัางเอาตายก็ตายไม่ตายให้รู้มีเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นนะ หอาจิตมันนเป็นกำลังของจิตเองหมุนติ้วที่ลงไปเพราะแดนในความพ้นทุกข์เหมือนกับว่าเอื้อมมือถึงอยู่ตลอดเวลาข้างหลังก็ตีดกันเข้ามาตีดันเข้ามาเห็นโทษทั้งภัยเข้ามาแล้อดอกก็มีแต่ทางที่จะให้พ้นโดยไถ่ยเยือดอยู่ไหนไม่อยากอยู่ข้างที่ไหนไม่ต้องการจะค้างเสียไวมวนะ่ร่ำเมล็ดเพื่อความพ้นทุกข์ต้องให้ถึงความพ้นทุกข์โดยไถ่เยียดเท่านั้นจะเป็นที่พอจักเมื่อจิตเป็นอย่างนั้นแล้วจะเอาความที่เจ็บที่ค้านอ่อนแอมาจากไหน หนักก็สู้เบาก็สู้ตายเป็นสู้ทั้งนั้นจนกระทั่งหมดความใจแล้วอยู่มันสุขิสยัยหรือรู้แล้วอยู่เองไล่ไปไหนก็ไปปัญญาที่หมุนตัวเป็นเปียวยิ่งกว่ากงกงจักทั่งเวลาถึงการแล้วก็หยุดเองหมดความหมายในตัวเองไปเองโดยไม่ต้องแบกขับไล่สายส่งเขารู้แล้วจะพิจารณาอะไรอีกเนี่ยละแล้วจะละอะไรอีกรู้แล้วจะรู้อะไรอีกเนี่ยพอแล้วจะ าหาก็หนีที่ไหนอีกมันก็รู้ตัวเองทั้งนั้นทีเียวอย่างเช่นว่างานใหญ่ใหญ่ก็เธอผลก็ใหญ่โตไม่มีอะไรเทียบเช่นเดียวกันผลที่เกิดขึ้นจากงานใหญ่ๆ ง, ง, งานหนักๆเนี่ยผลก็บประเสริฐเลืเล่โลกพระมังสุขขังจะไม่เรียก ว, ว่าเลิ่โลกได้อย่างไรพระพุทธเจ้าเลิ่โลกได้เพราะอันนี้เอ ง, างอาาหาวกอรหันหันเราที่นับถือท่านพุทธังธรรมสร้างสรางกระฐามิด้วนแล้วตั้งแต่ ท่านเลิกทั้งนั้นด้วยงานอันหนักนี้แล้วครูของเราพาเดินอย่างนั้นเราจะไปะหายยิ ย, ย, ยกๆ ย, ยกอะไราหาเอาตั้งแต่ตามความชอบใจมันไม่ได้ครูเราพาเป็นอย่างนั้นทางเดินเป็นอย่างนั้นทางเดินต่อแก้กิเลสต้องลำบากทางเดินต่อสังสมกิเลสง่ายเพราะความชอบใจมันง่ายเพราะความชอบใจความจริงมันได้ด้วยกันนั่นแหละมันขึ้นชื่อว่า ง, งานแล้ว แต่สำคัญที่ความชอบใจในงานใดงานนั้นก็เห็นว่าเป็นของง่ายของเบาค ง, งสบายแต่เสียงานแก้กิเลสก่อนเวลาเราบําเพ็ญทีแรกมันไม่ในหน้าในหลังอะไรทั้งทั้งที่เรามุ่งเจตนาจะแกะ้กิเลสแต่มันก็หนักมันขี้เกียดอ่อนแอทุกสิ่งทุกอย่างรวมอย่างหมดที่ว่าความไม่เป็นท่าเนี่ยเวลามันรู้เหตุรู้ผลเขา้าเขา้าใจในอันในธรรได้ผลปรากฏขึ้นมาเป็นลําดับดับแล้วความขี้เกียดมันหายไป ห, หมดละนั่นก็มีแต่ความขยันหมั่นเพียรหนักก็เอาเบาก็สู้เป็นก็สู้ตายก็สู้น่ะ เพราะมันเห็นผลทั้งทั้งที่แก้กลเยดมาด้วยกันโดยลําดับเนี่ยแต่อันหนึ่งยังไม่เห็นผลอันหนึ่งเห็นผลแล้วมีความขยันหมั่นเพียรขึ้มนมาเองเอาหนักก็สู้เราเป็นลูกศิษย์สถาคดเราจะไปถอยหลังไหนเพราะสถาคตก็เคยผ่านป่าช้ามาให้เดียวกับพวกเราจรึงเห็นภายในเรื่องป่าช้าความเกิดตายซึ่งเป็นเรื่องแดกภูกทั้งนั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้แล้วเราเป็นลูกศิษย์ถาคดก็ต้องเดินตามครูผู้พันลําบากก็ลําบาก ครูเรสลสลายถึงสองครั้งสามครั้งพวกเรามีใครบ้างสลบไลายด้วยความเขี่อนไม่มีเนี่ยแล้วทําไมกลัวตายแล้วยังไม่สลบเลยแล้วกลัวตายได้วยังไงเโอ้ยข้าถึงขนาดถึงสามมลสีหงวังเลยสลบโพงไม่เห็นกลัวตายวะพวกเราทําไมกลัวตายนกะอะไรมันตายพิณาโค้ดทำไมเห็นความจริงแล้วมันทําไมกลัวตายเพราะมันมีอะไรตายในโลกว่านี้มีแต่จิตทั้งหมดมันสำคัญมันหมามันหนลอดตัวเองว่ากลัวตายกลัวตายเมื่อรู้ถึงความจริงทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไม่กลัวความตายก็ไม่กลัว เกิดก็ไม่กลัวเพราะมันม่มีอะไรจะเกิดแฮ่จะกลัวมันอะไรกลัวหาไม่มีลมกลัวลมกลัวแรงกลัวไปทำไมจิตมันพ้นไปแล้วจากความเกิดถ้าจะกลัวความเกิดอะไรอีกเนี่ยเกิดเป็นรูปเป็นกายเป็นหญิงเป็นชายมันหมดเชื่อแล้วมันไม่มีอะไรจากตัวมันไม่มีอะไรจากล้ามันเสมอตัวคือสม่ําเสมอโดยลํำดับมั้นแต่ไม่ใช่สม่ำเสมอธรรมดาแบบในโลกเสมอแบบจิตที่เพียงพอเสมอแบบความรู้สึกของจิต พูดทั้งเรื่องภาระหนักอย่างนี้นะแต่เราก็พูดถึงผลอีกด้วยเพื่อเป็นเครื่องรุ่นเลงเครื่องยึดเหนี่ยวของจิตผลคือเลิศสม ก, กันกับความยุ่งยากลําบากลําบนในการปฏิบัติลแล้วเราต้องการเรื่องอะไรของกิเลสิเลสเราต้องการของดีทั้งนั้นแม้จะภายนอกเรายังต้องการของดียิ่งคำเราก็มายาจะไม่ต้องการของดีเราเล่น้าไป ปากชามน่ร้องไห้กับเราเป็นไรหรือเรามันร้องไห้กับปลาชา้ามปาช้ามร้องร้องไห้ตามเราเป็นไร ห, หมดหวังแล้วที่นี่ดัอองนั้นทําเกิดตามไม่ใช่ของดีมุนไปมุนมามีความทุกข์ความลําบากทุกภพทุกชาติพิณาแก้ไขอขอกทัมันได้สิ่งที่เป็นอยู่ภายในใจิตใจมีอะไรบ้างที่เป็นเชี่ยนหนามต่อจิตใจ สติปัญญาอย่างลงไปค้นคล้อลงไปถอดถอนถอนอกมาเอาให้หมดให้สิ้นเมื่อสิ้นแล้วก่อนนี่แหละคือผลของงานว่าเป็นความอนุยากขนาไหนผลนี้เป็นอย่างไรคุ้มค่ า, ากันไหมนารู้ทันทีอยู่ไหนก็อยู่ทิงท่านมาบุษิตังประมาจรยังกระตังเกินนีงอย่างนั้นนะกระจักด